บทที่32ความเป็นไปได้เอาเวลาเข้าห้องเจ้านายใหญ่ผู้ทรงบุคลิกงามสงา่าได้ยินเขากำลังคุยโทรศัพท์เสียงเครียดอยู่พอดีก็คุณพูดเหมือนหมาเห่านี่ว่ะจะให้ผมทนฟังทุกวันได้ยังไงแล้วนี่คนกำลังทำงานทำการยังไม่เว้นทุเรศจริงๆเพียงได้ยินเท่านั้นก็รู้ทันทีว่าคู่สนทนาไม่ใช่ใครอื่นภรยาของเขานั่นเอง นี่อเผอิญผลูเข้ามาได้ยินข้อสนทนาส่วนตัวอันน่าจะเป็นความลับของนายโดยไม่ตั้งใจหลอนสนิทกับเจ้านายจนลืมข้อประตูเป็นบางครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อเขาเพิ่งเป็นฝ่ายโทรใช้หล่อนหยิบแฟ้มเอกสารมาให้หยกๆยกใครจะไป น, นึกว่าแค่ไม่กี่นาทีให้หลังบรรยากาศห้องนายจะขมึงตึงขนาดนี้พอเห็นหลอนท่านผู้บังคับบัญชาก็เงียบเสียงลงชั่วครู่ ทำหน้ายุ่งมองไปทางอื่นเอาเวลาจึงรู้หน้าที่รีบวางแฟ้มเอกสารแล้วปรีดตัวออกจากห้องไปโดยด่วนคำพูดชนิดหลุดปากในที่ทำงานอย่างไม่เคยเป็นมาก่อนของนายเป็นความสะเทือนใจเอาเรื่องเพราะแม้เพียงไม่กี่คำที่เอ่ยออกมาด้วยโทรศัพ์ก็ลบภาพชีวิตสมบูรณ์แบบของเขาได้ทั้งหมดอุตสาห์หลงนึกเสียตั้งนานว่านายมีครอบครัวแสนสุขและถือเป็นแบบอย่างว่าจะลอกเลียนเสียหน่อยเฮ้อ นายครองตัวสะอาดเป็นคนไม่เจ้าชู้มาได้จนอายุเหยียบห0แม้หล่อนอยู่กับเขาสองต่อสองก็ไม่เคยมีลิ้นสองแฉกแลบออกมาสักครั้งเดียวเรียกว่าเป็นพ่อพระที่หาได้ยากมากในโลกความเป็นจริงปัจจุบันและเอเวราก็เคยเห็นภรยาของนายหลายหนเป็นผู้หญิงที่ยังประเปรียวแม้เลยวัย40ิไปมากแล้วทั้งยิ้มง่ายทั้งบุคลิกและท่วงทีสง่างามไม่แพ้สามี น่าจะใจเย็นคิดอ่านเป็นเหตุเป็นผลเสมอฉะไหนพริกกลับตรบัดไปได้บ่ายนี้ชั่วเวลาเพียงแค่ไม่กี่วินาทีต้นแบบชีวิตครอบครัวในอุดมคติพรันพังครืนเพิ่งตระหนักว่าบางครอบครัวก็มีฉากนอกที่หลอกตาคนอื่นได้สนิทแนบเนียนนักกลับมานั่งที่โต๊ะในตาทอดเหม่อไปข้างหน้าอย่างไร้จุดหมายรู้สึกคล้ายถูกต้มตุน๋นและเพ่งตาสว่างสดสดร้อน แม้ไม่ใช่เรื่องใหญ่โตถึงขนาดเสียขวัญแต่ลลอนก็ตะหนกตกใจและรู้สึกผิดหวังอย่างแรงความลับเผยออกมาแล้วครอบครัวของนายก็เหมือนกับทุกบ้านที่มีปากเสียงมีปัญหาระหองระแหงกันจะถี่ห่างขนาดไหนก็ต้องเป็นทุกแน่ๆการร่วมบ้านกับบุคคลที่ทำตัวเสมือนศัตรูคงเหมือนฝันร้ายติดๆกันทุกคืนลอนเห็นนายตกอยู่ใต้สถานการกดดันมาหลายหน แต่ไม่เคยมีครั้งใดที่ระเบิดอารมณ์เป็นคําด่าทอเหมือนอย่างเมื่อครู่เลยยังไม่ทันสั่งจากอาการมึนซึมก็ได้ยินเสียงร้องไห้กระซิกจากโต๊ะด้านข้างโอ้ไม่นะโลกนัดกันแสดงละครฉากเศร้าให้หล่อนดูหรืออย่างไรร้อยวันผ่นปีพิมพันธ์นีไม่เคยร้องไห้ก็ดันมาร้องเอาเดี๋ยวนี้แค่เพียงยินเสียงนิดเดียวก็เดาได้ทันทีว่าเป็นเรื่องอะไรเพราะพิมพันธ์นีปรับทุกข์ให้ฟังมาหลายวันเกี่ยวกับแฟนหนุ่ม ที่ทำท่าจะไปด้วยกันไม่รอดอ้อยเป็นอะไรอเวลาเลื่อนเก้าอี้ติดล้อไปนั่งใกล้ถามนำไปอย่างนั้นเองพี่ตู้เขาทิ้งอ้อยแล้วละ่ะรู้ได้ยังไงโทรไปหลายทีไม่รับแล้วก็เพิ่งบอกมาทางเมลเดี๋ยวนี้ว่าเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันเถอะเค้กลองอ่านดูสิความจริงอเวลาครั้นที่จะอ่านแต่ก็ช่วยอ่านอย่างรู้ว่าจะทาให้ฝ่ายนั้นอบอุ่นใจขึ้น และมีผู้แสดงความเห็นใจได้อย่างเข้าถึงมากขึ้นอืมเขาก็ทิ้งแต่คำดีๆไว้นี่นะตอนเค้กโดนครั้งสุดท้ายเขาทิ้งคำบาดใจที่ทำให้ต้องจำไปนานพิมพานีเหลียวมองเพื่อนสาวทั้งน้ำตาแม้กำลังเศร้าก็อดสอดรู้สอดเห็นเรื่องของคนอื่นไม่ได้คำบาดใจยังไงเอาเวลานิ่งไปนิดหนึ่งเพื่อสำรวจใจตนเองถึงจะพิ่งสนิทเพราะนั่งใกล้กันไม่นานความรู้สึกก็บอกว่า ยินดีคุยเปิดอกกับอีกฝ่ายได้ก็ทํานองเขาเจอคนใหม่ที่เหมาะกว่าเลยไม่อยากให้ทั้งเขาและเค้กเสียเวลาเปล่าคือมันประกอบกับที่เค้กรู้ด้วยน่ะนะว่าผู้หญิงคนใหม่ของเขารวยมากชนิดที่บินไปเที่ยวสวิตกันได้ทุกเดือนเชียวละ่ะเร็วจริงๆไม่ได้เร็วอะไรมากหรอกอย่างน้อยก็พูดความจริงแล้วก็ไม่ได้หลอกเอาเค้กไว้เป็นกิ๊กสำรองใช้ทุกคนอยากได้แฟนรวยกันทั้งนั้นแหละ เพราะมันสบายเร็วไงของอ้อยนี่ดีออกเหตุผลที่เลิกเพราะครอบครัวเข้ากันไม่ได้ซึ่งสถานการณ์ก็ทำให้อ้อยเตรียมใจมาได้นานพักหนึ่งแล้วใช่ว่าจูจ่ๆเขาจะสะบัดก้นหนีแบบไม่มีปีมีกลุยเสียที่ไหนพิมพานีกรีดน้ำตาทิ้งด้วยปลายนิ้วก็จริงอย่างอเวราว่าปริมาณน้ำตาคงช่วยวัดระดับความรักกันได้น้าตาของหล่อนแค่อ่อขังขอบแล้วหยดหน่อยๆ ไม่ถึงกับไหลพรากออกมาอาบแก้มจนแฉะสัมพันธภาพระหว่างหลอนกับพี่ตู้ทุลักทุเล่แก่ๆกลางๆมาตั้งแต่ต้นโดยเฉพาะเกี่ยวกับญาติพี่น้องพ่อแม่ปู่ย่าตายายเหมือนเปิดโอกาสให้ฝึกทำใจวางเฉยนานๆก่อนได้เวลาขาดกันจริงสำหรับฝ่ายหลอนตั้งข้อรังเกียจที่พี่ตู้ด้วยเหตุผลที่บ้ามากคือพี่ตู้เป็นผู้ชายไทยถ้าไม่ใช่ชายจีนแปลว่าขี้เกียจ ทั้งที่จริงพี่ตู้ก็ขยันตามปกติแม้ไม่ทํางานตัวเป็นเกลียวก็ใช่จะแปลว่าสร้างเนื้อสร้างตัวใน5ปีหรือ10ปีไม่สําเร็จเสร็จที่ไหนส่วนฝ่ายเขานั้นตั้งข้อรังเกยียจหล่อนด้วยเรื่องบ้ายิ่งกว่าคือหล่อนนามสกุลเดียวกับรองหัวหน้าพักการเมืองที่ทั้งบ้านเกลียดที่แรกหล่อนเห็นว่าหน้าขำและพยายามบอกว่าหล่อนเป็นเพียงญาติหางแถวแถมตอนเลือกตั้งหล่อนก็ไม่ได้เอาพักของญาติทุกครั้งขึ้นอยู่กับ ตัวผู้สมัครเป็นสำคัญแต่ยิ่งเข้าหาผู้ใหญ่นานขึ้นก็ชักขำไม่ออกสายตารังเกียเดียดฉันที่ยิงตรงมาที่ทำให้หล่อนเกิดความอึดอัดจนอยากกรีดดังๆหลายหนจุดแตกหักอย่างแท้จริงคงเป็นวันที่หล่อนเผลอตัวเถียงแทนญาติกลางโต๊ะทานข้าวด้วยเพราะรู้ดีว่าญาติไม่ได้ทำเรื่องที่ใครๆกำลังกล่าวหากันทั้งเมืองบ้านของพี่ตู้ถึงกับวางช้อนซ่อมลุกขึ้นทิ้งโต๊ะหนีเกือบหมด นับแต่นั้นหล่อนก็ไม่เคยได้เข้าบ้านพี่ตู้อีกเลยคิดไปคิดมาจุกอกเข้าก็ส่งเสียงระบายดือด้อๆโอ้ยเป็นหมาดีกว่าจับคู่กันจะได้ไม่ต้องเรื่องมากเอาเวลาได้ยินเพื่อนบ่นเช่นนั้นก็ใจหลอนวูบรีบเตือนด้วยความเป็นห่วงทันทีอย่าคิดอย่างนั้นเลยอ้อยพิมพณีเห็นสีหน้าตาจริงจังของเพื่อนและหัวเราขบขันแทบลืมความเศร้าโศกเป็นปลิดทิ้งทำไมกลัวอ้อยจะไปเป็นหมาจริงๆหรอ เธออย่าพโลงอย่างนี้อีกก็แล้วกันถ้าพูดจนติดนิสัยตอนตายจิตเธออาจสร้างภาพพบอย่างนั้นขึ้นมาได้เอาเวลาเอ่ยตามที่รู้มาแต่พิมพณียังคงเห็นเป็นเรื่องตลกบนอยากเป็นอะไรก็เป็นกันง่ายๆเงีย้งยเหรองั้นอ้อยบนอยากเป็นนางฟ้าก็ได้เป็นนางฟ้าน่ะสิขึ้นสูงนะ่ะไม่ง่ายหรอกศัธรรมมีอยู่ทั่วไปถ้าอยากขึ้นสูงต้องออกแรงตะเกียกตะกายทวนกระแสกัน แต่ถ้าตากว่าฐานที่ยืนอยู่แค่เอาตัวไหลไปตามกระดานลื่นก็พอเหมือนก่อนตายจิตประวัติไปถึงความเป็นมานิดเดียวก็เสร็จแล้วพิมพ์รณีรับฟังเรื่อยๆไม่ถึงกับเห็นว่าเลวไหลถ้าต้องพูดเรื่องพบภูมิในที่ทำงานยุคสองพันแต่ก็ไม่ได้เห็นคำพูดของเพื่อนน่าเชื่อถือหรือควรนำพาเป็นอารมณ์จริงจังเช่นกันฉันไปดูหมอมาละ่ะคนเพิ่งอกหัก ตัดสินใจเปลี่ยนเรื่องน้ำตาเหอนแห้งลงสิน้นเขาบอกว่ากว่าฉันจะเจอเนื้อคู่ก็ตั้ง29แน่สองรายเลยนะเธอดูตรงกันเปรียบเลยมีเหตุผลอะไรที่ต้องเป็น29ดวงดาวไงมันทำมุมเหมาะให้มีคู่ตอนนั้นมั้งเอาเวลายาักไหลเหตุผลของดวงดาวอาจมีจริงแต่จะรู้ได้ยังไงว่าหมอดูรู้จริงแหมจะทาตัวเป็นผู้ต่อต้านหมอดูหรือไง เธอน่ไปดูมาบ้างหรือเปล่าขอดูไฟถูกรุกสารภาพง่ายๆเห็นไหมตัวเองก็ดูสรุปคือดูทั้งๆ ท, ท, ที่สงสัยว่าหมอดูรู้จริงหรือไม่จริงคนเราพอเหมือนถูกปิดหูปิ ด, ปดตาไม่ให้เห็นอะไรก็อย่ากแกะผ้าผูกตาออกหรืออย่างน้อยที่สุดก็ฟังใครกระซิบข้างหูเสียหน่อยว่าตรงหน้าคืออะไรเบื้องไกลเป็นยังไงสวยงามหรือเลวร้ายขนาดไหน ถึงจะไม่แน่ใจว่าคนพูดแก่ผ้าผูกตาของตัวเองออกได้แล้วหรือยังก็เถอะเค้กแค่ตั้งประเด็นขึ้นมาคือถ้าเหตุผลของทุกสิ่งขึ้นอยู่กับดวงดาวอย่างเดียวชีวิตคนก็แค่เครื่องเล่นของดวงดาวน่ะสิมันน่าจะมีความหมายมากกว่านั้นนี่นาะพิมพันนียักไหลบ้างเค้กหมายถึงกรรมเก่าในอดีตชาติใช่ไหมที่ทำให้เราเป็นเป็นกันอยู่อย่างนี้ยังไงไม่รู้สินะ ไม่เคยมีใครทําให้อ้อยรู้สึกว่าเหตุการณ์ทั้งหลายมันผูกโยงกับอดีตชาติได้เสียด้วยแต่มีคนทําให้รู้สึกว่าทั้งหลายทั้งปวงมันผูกโยงกับดวงดาวจริงอ้อยก็ต้องเชื่อทางนี้ก่อนละ่ะเท่าที่เค้กได้ยินคือดวงดาวไม่อิทธิพลจริงแต่คนเราจะตกอยู่ใต้อิทธิพลดวงดาวดวงไหนราศีอะไรก็ขึ้นอยู่กับกรรมเก่าส่งมาแล้วเธอละไปทํากรรมเก่าอะไรมานักหนาะชาตินี้ก็ออกดีดีไน พิมพณนียั้งปากไว้เพราะแค่พูดเท่านั้นก็เห็นหน้าอเวลาเสียอย่างคนโดนจี้ใจดำจึงรีบเบนประเด็นอย่างแนบเนียนอย่างเค้กนี่โงเ่เฮงออกจะเหมือนคุณหนูคอยนั่งนับเงินแทนป้ะปะ๋าไนต้องมาเป็นมนุษย์เงินเดินก็ไม่รู้อเวลายิ้มจือ่อเพราะตรหนักว่าเพื่อนเลี่ยงคำเดิมที่ตั้งใจพูดแต่แรกอ้อยจะบอกว่าถ้ากรรมวิบากมีจริงเค้กก็ออกดีดีแต่ทาไมถูกทิ้งใช่ไหมละ่ะ พูดไปเถอะเคกรับได้ไม่ใช่เรื่องเจ็บปวดสักเท่าไหร่แล้วปรงตกแล้วปรงว่าเคยไปทิ้งเขามาก่อนก็คงงั้นเพราะชาตินี้โดนจนชินจนชาด้วยวิธีเดิมๆตลอดมันคงไม่ใช่เรื่องฟลุกและถ้าธรรมชาติมีเหตุผลไม่เคยแกล้งไขเล่นตามอำเภอใจเ ค, คก็เชื่อว่าเคกต้องทำคนอื่นไว้ก่อนเกิดมาในชาตินี้จริง เพราะชาตินี้เค้กไม่เคยตั้งใจหลอกให้ใครมีความหวังลมๆแรงๆสักคนหญิงสาวพูดด้วยเสียงเรียบสนิทเรียบสิจนคนฟังไม่รู้สึกเป็นเรื่องน่าสงสารแต่ขณะเดียวกันก็ได้แรงบรรดาใจที่จะสงบสติอารมณ์ตามถ้าเธอเคยหลอกชาวบ้านไว้ในชาติก่อนทำไมไม่ติดนิสัยเจ้าชู้ชอบหลอกมาบ้างละ่ะนั่นคือสิ่งที่อเวลาตอบไม่ได้อาจจะเข็ดแล้วอธิษฐาน กลับตัวกลับใจใหม่ในช่วงท้ายมัง้งไม่รู้ซีก็ได้แต่เดาส่งราสานักเดาคุยกันนั่นแหละในเมื่อไม่รู้จริงและไม่ได้มีทางรู้ได้อย่างนี้จะมีประโยชน์อะไรถ้าโทษอดีตการปางบันแต่ครั้งไหนก็ประโยชน์ตรงที่จะได้ตั้งใจไม่หลอกคนอื่นให้รอเกอร์อีกไงชาตินี้ใช้ใช้กรรมให้หมดไปชาติหน้าไม่ต้องเป็นทุกข์อีกเอาเวลาตอบเท่าที่สติปัญญาของคนไม่รู้จริงคนหนึ่งจะเอือ้อ และนั่นก็ทำให้พิมพัพธนีเบป้ปากไม่ยุติธรรมเลยนะถ้ามีใครบอกว่าควรทำอย่างนั้นอย่างนี้แต่ก็ไม่เห็นจะพิสูจน์ได้ว่าควรหรือไม่ควรเพราะอะไรอยากทำอย่างใจเส้นหน่อยเลยไม่กล้ากลัวบาปกลัวกรรมกันไปหมดอีกหน่อยอาจมีคนติดเครื่องฉายภาพวิบากกรรมได้มั้งเอาแบบไฟฉายสองทะลุเข้าไปถึงวิญญาณพวกเราเห็นเงาเป็นรูปร่างวิกวิการกันทั่วหน้าสองสาวหัวราะพร้อมกัน พยายามให้เบาเสียงด้วยความเกรงเจ้าหน่ายในห้องอเวราและพิมพ์ผนีเป็นเลขาประเภทที่พูดอังกฤษกับลูกค้าต่างประเทศได้มีปฏิภาณคิดแก้ปัญหาเฉพาะหน้าเล็กๆน้อยๆแทนนายได้แล้วก็จัดการงานเอกสารทางคอมพิวเตอร์หลายๆชนิดได้กับทั้งนั่งอยู่หน้าห้องเป็นดา น, น่าให้นายกันตามลาพังสองคนจึงค่อนข้างมีความเป็นส่วนตัวพอควรทาให้สนิทกันเร็ว และอเวราก็เพิ่มความสนิทด้วยการนินทานายเมื่อกี้ที่เอาแฟ้มเข้าไปให้นายฉันเพิ่งเห็นนายทะเลาะ ก, กับเมียด้วยละไออย่างนายทะเลาะ ก, กับเมียด้วยเหรอเห็นควรกันงานไหนก็จี๋จ๋ากันตลอดพวกเราคงไม่รู้อะไรอีกเยอะฟังแค่ไม่กี่คำรู้เลยว่านายทนแรงกดดันที่บ้านมานานที่พูดนี่ไม่ได้ตั้งใจนินทานายรับหลังหรอกนะเพียงแต่เห็นว่าเป็นเรื่องน่าเล่าสู่กันฟัง เลยเอามาเผื่อแผ่ให้คนกําลังตกทุกข์ได้ยากอย่างเธอรู้สึกดีขึ้นพิมพันธ์นีหัวเรอก ค, คิกคัจกจ้าเรื่องน่าเล่าสู่กันฟังมากที่สุดก็คือเรื่องชาวบ้านนั่นเองเอาเวลาหัวเราะเขนิขนเขินเค้กว่าเมื่อกี้เค้กเพิ่งเห็นสัจธรรมมาอย่างหนึ่งสัจธรรมอะไรความสุขเป็นแค่ภาพลวงตาความทุกข์เท่านั้นเป็นของจริงรอยยิ้มของพิมพันธ์นีเลือนลงเคยคิดทํานองนี้เหมือนกันแหละ อย่างพี่ตู้นี่มาพร้อมกับความสุขเพื่อในที่สุดจะได้พาอ้อยไปหาความทุกข์หนักแท้เลยนั่นแหละถึงถ้าเธอแต่งงานกับพี่ตู้โดยไม่มีเรื่องครอบครัวเข้ามาเอียวก็ไม่มีอะไรประกันว่าจะเป็นแบบนายของเราวันนี้หรือเปล่าในวัยเดียวกับพวกเราเจ้านายเราอาจโดนหมอดูทักก็ได้ว่าเนื้อคู่คือเมียคนปัจจุบันนี่เองเรื่องจริงไม่ได้จบตอนแต่งงานเหมือนนยาย หลังแต่งยังมีอะไรให้ดูอีกเยอะเนอะรุ้งี้บวชชีดีกว่าพึมพรมเสร็จก็ทอดตามองผนังห้องเท้าคางรำพึงไม่รู้ทำบุญอะไรกับผัวเก่าในชาติก่อนชาตินี้ถึงเจอกันช้านักกว่าจะพบกันอายุก็ปาเข้าไปตั้ง29แน่มอดูบอกหรือเปล่าว่าแก่กว่าหรืออ่อนกว่าต้องแกกว่าสิจะเนื้อคู่นะเธอกฎหมายประเทศไหนเนื้อคู่กันผู้ชายต้องอายุมากกว่า ว่าแต่แก่กว่าเธอกี่ปีพิมพ์พาณีอึกอักหมอดูคนหนึ่งบอก3ปีแต่อีกคนบอก5ปีก็คงอยู่ระหว่างนี้แหละดวงดาวคงไม่ได้บอกพี่กัดอายุได้เ ป, เป๊ะมั้งแต่3มปีกับ5ปีก็ถือว่าใกล้เคียงกันแล้วนี่3ปีกับ5ปีนะ่ะต่างกันเป็นคนละเรื่องเลยนะเพราะเท่ากับเนื้อคู่ของเธอเกิดในเริกต่างกันลิบลับแล้วหมอดูเขาว่าเป็นคนไทยหรือเปล่าอุ้ยซักละเอียดจริง หมอดูไม่ได้บอกว่าไทยหรือเทศแต่ไม่บอกก็คงแปลว่าเป็นไทยนั่นเองอเวลาพยักหน้าปีนี้เธออายุ25เพราะฉะนั้นปัจจุบันเขาของเธอก็ต้อง28หรือ30และอาศัยอยู่ในราชอาณาจาักรไทยไม่ใช่คนป่าเผา่ามลุกกุ๊กขุยที่ไหนพิมพ์แนีหัวรอกขำระหว่างนั้นอเวลาก็หยิบกระดาษแผ่นเล็กบนโต๊ะเพื่นสาวขึ้นมาจากกล่องใส และนำปากกามาวาดประเทศไทยคล้ายรูปขวานคร่าวๆพี่สาวของเค้กเพิ่งพูดให้ฟังเมื่อวันก่อนหลอ น, นึกถึงรสรินผู้เป็นที่พึ่งทางใจมาระยะหนึ่งเค้กว่าน่าสนใจกรมแรงงานบอกว่าผู้ชายไทยในวันนี้มี30กว่าล้านถ้าคัดให้เหลือเฉพาะวัยแรงงานคือช่วงอายุ 15-60 ถึงจะตกประมาณ20กว่าล้าน คัดแบบมั่วๆให้เหลือเฉพาะที่อยู่ในวัยใกล้เคียงกับเราตั้งแต่20กลางๆถึง30อาจเหลือสัก2ล้านพิมพ์พันีทำตาโตหูมีให้เลือกตั้ง2ล้านปัญหาอยู่ตรงนี้แหละใน2ล้านนั้นต้องกรองอีกอาจจะด้วยระดับการศึกษาระดับฐานะระดับสติปัญญาตลอดจนรูปร่างหน้าตารสนิยมโล ก, กัศน์ศาสนาวิธีใช้ชีวิตและอื่นๆ สมมุติว่าคนที่คู่ควรหรืออย่างน้อยเข้ากับเธอได้มีอยู่หนึ่งในร้อยก็แปลว่าประเทศไทยตอนนี้มีประมาณสองหมื่นที่เข้าข่ายอืพิมพานียิ้มแบบลืมความเศร้ายกมือรูปคางอย่างสนใจอเวราจริงสาทยายต่อในความเป็นจริงผู้ชายสองหมื่นคนในประเทศนี้มีกิก๊กหรือมีแฟนหรือมีเมียไปเกินครึ่งแน่ เพราะฉะนั้นกรองให้เหลือชายโสดสักตีว่าเหลือห้าพันก็แล้วกันนี่คือกรณีที่เธอไม่คิดจะฉกใครมาจากหญิงอื่นนะกรองไปกรองมาชักน้อยแฮะนี่เองสมัยนี้ถึงเจอฉกกันบ่อยถ้าวันนี้เนื้อคู่ของเธอมีชีวิตอยู่ในที่ใดที่หนึ่งใต้ฟ้าเมืองไทยโอกาสที่เขาอยู่แถวกรุงเทพจะสูงเป็นพิเศษเพราะเธออยู่ที่นี่เอาเวลาพูดพรางเอาปากกาทาจุดลหลายจุดณนะตาแหน่งที่ตั้งเมืองหลวง เพราะฉะนั้นจากห้าพันต้องกรองอีกน่าจะเหลือสักหลักร้อยเฮพิมพ์พร้องดังๆมีหน้าล่ะตูถึงได้หาผัวยากนะักผู้ชายในกรุงเทพมีตั้งไม่รู้กี่ล้าน ต, ต้องควานหากันเป็นหลักร้อยเหมือนงมเข็มในสระดีๆนี่เองแล้วหลักร้อยก็ใช่จะน้อยเมื่อไหร่ปีหนึ่งผู้หญิงมีสิทธิ์เลือกคบผู้ชายสักกี่คนต่อให้เสน่ห์จัดเหมือนนางแบบดังๆอย่างมากสุดก็แค่สิบมั้ง แต่คนเราก็จับคู่กันจนได้และหลายคู่ก็ดูเหมาะสมกันมากด้วยเอาเวลาสรุปนั่นแปลว่าจะต้องไม่ใช่การสุ่มเลือกทรงเดชเบื้องหลังการค้นพบคู่แท้ต้องมีเหตุปัจจัยสนับสนุนหากขาดแรงดึงดูดหรือสายสัมพันธ์พิเศษเราจะไม่มีวันพบเนื้อคู่ด้วยวิธีทางของความบังเอิญเลยน่าทรมานใจจังเว้ยรู้ว่ามีแต่ไม่รู้ว่าอยู่ไหนวันนี้อยู่ร่วมโลกกันแท้ แต่ไม่มีสิทธิ์ได้เจอถามหมอดูก็ไม่ยอมบอกไม่ยอมบอกเพราะบอกไม่ได้นะซีดาวบอกให้พูดแค่ไหนก็พูดได้แค่นั้นดาวจะบอกอะไรมากกว่าเวลาเหมาะที่จะเจออย่างอื่นอุบเงียบเก่งจริงบอกบ้านเลขที่ได้ดิเขาว่าดาวบอกได้มากกว่าเวลานะรายละเอียดอื่นๆก็มีเช่นสูงต่ำดำขาวแค่ไหนทำงานอะไรที่เขาว่าก็คือว่าตามตารายอยู่ดี ตำราแต่ละเล่มก็ไม่เหมือนกันสู้คิดอย่างนี้ไม่ได้ตัวเลือกมีน้อยน่าจะศึกษาให้รู้จริงว่าเหตุปัจจัยอะไรดึงดูนให้เรากับเนื้อคู่โครจรมาพบกันกรรมเก่าพิมพ์พีพูดด้วยเสียงประชดแต่อเวลาพยายามอธิบายด้วยน้ำเสียงเจ้าหลักการหลังๆเค้งถูกสอนให้มองว่าเราอยู่ในโลกของเงื่อนไขคือสมมติว่ากรรมเก่าเป็นเงื่อนไขหนึ่ง ร, รมใหม่ก็อาจถูกพิจารณาว่าเป็นอีกเงื่อนไขหนึ่งได้เพราะก ร, รมก็คือกรรมสุดแท้แต่ว่ากรรมเก่าหรือกรรมใหม่จะมีพลังแรงกว่ากันว้าวชักทึ่งแฮะหน้าตาแบบนี้ผู้ธรรมะเป็นด้วยหน้าตาไม่ได้บอกบอกว่าเป็นคนแบบไหนโบราณว่าคบคนอย่างไรก็เป็นอย่างนั้นพี่สาวเค้กพูดอย่างนี้เค้กแค่พูดตามดวงชะตาเกี่ยวกับเรื่องคู่ของเค้ก อาจจะแย่กว่าอ้อยหลายเท่าด้วยซ้ํานั่นหมายความว่าถ้าธรรมะทําให้เค้กดีขึ้นได้ก็ต้องช่วยอ้อยได้เหมือนกันเพื่อนสาวมองงง ง, ง, งหมายความว่าทํากรรมอะไรใหม่ๆช่วยได้เหรอทํานองนั้นถ้าเชื่อเรื่องกรรมเก่าก็น่าจะคิดเสียว่าผู้ชายทักรุงเทพประมาณร้อยที่เขาเข้าข่ายเป็นเนื้อคู่ของเราอาจเคยอยู่กินหรือเคยมีความสัมพันธ์กับเราในทางดีมาก่อนพวกเขาคือความเป็นไปได้ แต่อะไรเป็นแรงผลักดันในปัจจุบันให้ไปพบพวกเขาก็กำรรใหม่ของเรานี่เองเราสร้างแรงดึงดูดให้ไปพบคนดีๆที่คู่ควรกับเราได้เสมอขอเพียงรู้ว่าจะเริ่มต้นยังไงขณะพูดด้วยเจตนาให้สติแก่เพื่อนสาวเอเวราก็รู้สึกว่าอะไรบางอย่างในใจตนค่อยๆละลายและหลุดล่อนออกไปเรื่อยๆด้วยเริ่มยังไงละ่ะเริ่มจากการเปลี่ยนแปลงตัวตนเก่าๆไง ตราบใดยังเป็นตัวเก่าก็น่าสันนิษฐานว่าอาจเจออะไรแบบเก่าอยู่ร่ำไปเข้าเขาลองยกตัวอย่างซิว่าเปลี่ยนแปลงตรงไหนได้เจอคู่แท้เร็วที่สุดอย่าเรียกว่าคู่แท้เลยเรียกว่าคู่เหมาะหรือคนที่คู่ควรกับเราดีกว่าหลักการที่พี่สาวของเค้กบอกไว้ถ้าจะเข้าใจง่ายๆคือเรายกระดับตัวเองสูงขึ้นแค่ไหนโอกาสจะไปเจอคนในระดับนั้นก็มีสูงขึ้น พิมพ์พีทำหน้าสงสัยจะยกระดับจากตรงไหนก่อนดีละ่ะอ้อยก็ว่าทุกวันนี้อ้อยดีที่สุดเท่าที่จะเป็นได้แล้วนะให้รวยกว่านี้ในปีสองปีนี่หมดสิทธิ์แน่เลยยกระดับฐานะยากนักก็ยกระดับจิตใจเป็นไงตราบใดที่ใจยังผูกพันกับคนเก่าแปลว่าเธอยังยินดีทุกข์กับทางโคจรของชีวิตแบบเดิมต่อเมื่อเลิกค่องแวะกับพี่ตู้ของเธอไม่ผูกพัน แม้เพียงด้วยจิตใจคิดแค้นพี่ตู้หรือครอบครัวเขานั่นถึงจะสะท้อนการเปลี่ยนบางสิ่งในตัวตนของอ้อยที่หลุดพ้นออกมาจากอดีตเสียได้อ๋อเข้าใจละจะให้อ้อยยกโทษไม่ติดใจกับครอบครัวพี่ตู้อีกใช่ทั้งทางผูกพันด้านดีและด้านร้ายให้ถือว่าเหมือนฝันไปไม่ต้องใยดีให้เสียเวลาเดินทางไปข้างหน้าเปล่า เท่านั้นก็ทำให้เกิดแรงดึงดูดพาไปเจอคนใหม่ทันทีตามหลักการไม่ใช่ว่าเธอพยายามเปลี่ยนแปลงแล้วทุกอย่างจะแปลกไปในทันทีเธอต้องเปลี่ยนให้มากพอถึงจะเรียกว่าเป็นการยกระดับจริงคู่ควรกับการพบคนใหม่ที่ดีกว่าจริงๆซึ่งก็อาจกินเวลาอีกสปีเวรกรรมตรงตามหมอดูทำนายเป๊ะการเปลี่ยนแปลงที่มากพออาจเกิดขึ้นได้ในชั่วข้ามคืนถ้าเก่งพอ เสียงโทราศัพท์มือถือดังขึ้นเอาเวลาใช้น้ำหนักกายเลื่อนเก้าอีก้กลับไปที่โต๊ะและหยิบอุปกรณ์สื่อสารของตนขึ้นมากดปุ่มเอ่ยทักเฉยเมยไม่สอว่าดีใจหรือเสียใจว่าไงพี่เค้คืนนี้ผมไปนอนที่ห้องนะอืมอืมคืนนี้พี่กะนอนบ้านไม่ถึงบ้านพ่อแม่ซึ่งหล่อนเริ่มตระหนักแล้วว่ามีความเป็นบ้านที่อบอุ่นอย่างแท้จริงว่าทาไมละ่ะเมื่อคือนก็ทีหนึ่งแล้วนี่ ก็พอใจคืนนี้อีกทีหญิงสาวตอบราบเรียบไร้อารมณ์นี่พี่เคก้กโกรธอะไรผมเหรอพี่ต้องทำงานแล้วขอโทษนะกดปุ่มวางสายอย่างง่ายดายจนแปลกใจตัวเองคลามครันหล่อนพูดกับเพื่อหัดแบบตัดเยื่อไม่เหลือใยเป็นครั้งแรกและไม่มีการพร่ำละเมอเพ้อพกแม้แต่นิดเดียวด้วยคนสวยนี่น่าอิจฉาจังพิมพ์พณีเห็นท่าแล้วเดาว่า นั่นเป็นลีลาตัดสัมพันธ์กับหนุ่มซึ่งเพื่อนสาวไม่ใส่ใจใหญ่ดีหนุ่มรุมตอมเป็นขยงหน้าที่มีแค่ตอบรับหรือปฏิเสธเอาเวลาแต่แขงหน้ายักคิ้วข้างเดียวให้เพื่อนสาวนิดๆ ด, ด้วยมาสาวเจ้าเสน่ห์อย่าปักใจเชื่อในภาพแรกที่เธอเห็นให้มากนักพูดเสร็จก็หันหน้าเข้าหาจอคอมพิวเตอร์อย่างรู้หน้าที่ซึ่งกดึงให้เพื่อนร่วมงานสาวเบะปากยิ้มและปฏิบัติตามบ้าง